ย้อม้าใหม่罢了นี่แต่คนเก่าดูเก่าบางคไม่ต้องฟังบ่อยก็ก็เหรอชื้ิเลือดหูนี่แต่คนเก่าก็ไม่ต้องฟังบ่อยแล้วทำทำให้ดูให้รู้ให้เห็น บอกแล้วไม่ทําไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นอของพระพุทธเจ้าง่ายๆเลยพระบาทนั่งนานอีกคืวยวันนี้นั่นปฏิบัติเนี่ยภาคว่าปฏิบัติพระปฏิบัติคือทำพระพจภนภาษาบาล น, น ก, ก็เอ็ต้องงาน นี่ปฏิบัติธรรมรือธรรมเาไปท่องเอาเฉยนั่งสมาธินั่งสมาธิไดก็ท่องได้แต่จิตมันไม่นิ่งไม่มีอะไรหรอกขาดอย่างเดียวคือขาดการทําให้จิตนิ่งถ้าจิตนิ่งก็จิตสงบเหมือนน้ำได้ตุมแหละน้ำ ม, มีตะกอนถ้าน้ำนิ่งก็มองเห็นพัดเงาจะาของ แต่น้าไม่นิ่งคนไม่มองอะไรไม่เห็นง่ายแต่ว่าทำยากพูดง่ายแต่ทำยากทาไม่นิ่งก็ขี้เกียจทาเราไปกังวลเกี่ยว เ, เ, เรื่องอืน่นมันมรูปปุงไหนถ้าอยู่ทางโลกมันเป็นอย่างนั้นลอกกะลกก ะ, กกะคือความวุ่นบายมันก็เย่อหวหัวใจอยู่นั่น เอาหัวใจอยู่ให้พยายามดับเทียนสู้ทางโลกเว่าสู้การสู้งานสู้นน่นสู้นี่เราก็สู้หาดีตีให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจสงบแล้วมันก็มีความสุขะคําของพระเจ้าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าดูรู้เห็นแล้วก็ไปทางสวรรค์นิพพานได้ ถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นหนทางไปก็ไม่ไปไม่ได้เ <c> ต <oughs> นให้ปฏิบัติให้มากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝ้าไม่มีฝนไม่มีหนาวไม่มีอะไรอากาศกำลังดีพว <c oughs> <c oughs> กโยมมาจากคุณบุรียังไงล่ะนิ่งไหมได้เลจ้ะค่ะเออ <c oughs> นั่งอยู่ในเต้นไม่อยู่นั่งเนแล้วก็่่อก็นั่งตามาบ้านมันว่างพวกเขาภาษาก่อนเลยบอกว่าตอนนั้นสร้างฝ่ายบ้านเมืองทางนี่เขาไม่อนุญาตให้อยู่ตรงนั้นมสำหรับเขา สถานที่ของเขาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นตรงทานอาหารกันนั่นแหละสถานที่นี่เป็นสถานที่เขาเล่นอะไรอะไรแต่ก่อนที่เรานั่งมันเป็นสระน้ำด้านหลังนันมีแต่เครื่งองอบยาห้องอบยาห้องอบสมุนไพรทาหงาหลังทางโน้นโต๊ะิปนเลียดปักใหญ่ด <c oughs> าวเต็มห้อง สองาแมพัก ไ, ไปนั่งได้ <c oughs> ก็บอกว่าไปนั่งเอาโอ้จะไปนอนก็เลยบอกแล้วก็อยู่ทางนอกหนึ่งเขามให้อยู่แต่นั่งก็เราก็อยู่ข้างนอกก็ได้เต้นได้เต้นก็สบายกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีเต้นบงังมีเต้นแต่ก็มีเครื่องมุ่งข้างบนอีก ไดมาเมืองนอกก็ได้มาวัดมาว่ามาได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะคพระเจ้าสอนในลุกกมลเทศนาสนาอยู่ในป่าในรงลุกกมลคือป่าไม้ต้นไม้ตามต้นไม้แตกต่างกันก็เหมือนดูบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อยู่ ปเราจะไปตัดทะลุจู่ประสาทบ้านจูอช่องมันก็ไม่มาะมันก็ไม่ถูกอโลกเวโมปัสา t e ah yo.